วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมมีความตั้งใจที่จะมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็เลือกก็คือเรื่องที่พึ่ง ทางใจการที่ใจของเราจะอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่างสงบ ใ, ใจเราจาเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทางใจใที่พึ่งทางใจนี้ก็จะมีเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจพุทธัทงธรรมังสังฆังสารนังกาฉามิอันนี้เป็นที่พึ่งส่วนที่หนึ่งที่พึ่งส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้จําเป็นที่จะต้อง มีถึงจะทำให้มีทาทาให้ใจมีที่พึ่งของใจได้ถ้าขาดองใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่พึ่งทางใจก็จะไม่สมบูรณ์ก็จะไม่สามารถที่จะระงับดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ส่วนแรกนี้เป็นส่วนที่สำคัญก็คือการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์นี่คำว่าสารณะก็คือเป็นที่เราไปพึ่งหาความรู้<ม>เกี่ยวกับการวิธีดับความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีความรู้ความสามารถในการดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปอย่างราบคาบได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ mm hmm. เราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่ง mm hmm. อันสูงสุดของเราเพราะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เราก็จะไม่รู้วิธีของการดับความทุกข์ของใจว่าเราจะดับความทุก ของใจได้อย่างไรบ้างต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทั้งสามองค์นี้สามารถทําหน้าที่แทนกันได้คือสั่งสอนให้เรารู้จักวิธีของการดับความทุกข์ต่างๆว่าจะดับความทุกข์ได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเข้าถึง องใดอง์หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์ก็ทรงจากโลกนี้ไปเป็นเวลานานแล้วตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็เหลืออยู่กับพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวุของพระพุทธเจ้า ที่ยังมีอยู่ในโลกนี้ที่เราสามารถเข้าหาเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ปราศจากพระาศาสดาเพราะว่า พระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันจะเป็นาศาสดาแทนต่อไปจะเป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปก็คือคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงทรงสอนในโอกาสต่างๆ ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันวันหนึ่งก็สั่งสอนประมาณ4สามสี่ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธายาโยมผู้ครองเรือนตอนค่ำก็สอนนักบวชภิกษุภิกษุณียามดึกก็สอนพวกเทวดาและในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาต ก็ทรงเลงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกวันทุกวันนี้ก็จะมีพระภิกษุที่ตามเสด็จที่จะได้ยินได้ฟังแล้วจะเอามาท่องจำกันม า, มาแบ่งกันมาท่องจำกันเช่นพระอนุนนี่เป็น พระที่อุปถารับใช้พระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกทั้งทุกงทุกสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วถ้าเกิดมีเหตุอันใดที่ทำให้พระอา น, น์นี้ไม่สามารถตามเสด็จไปฟังเทศฟังธรรมที่พุทธเจ้าจะทรงแสดงได้พระ อ, อ น, นุนก็กราบขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรด มาสแสดงทำให้กับพระอนุลอีกครั้งหนึ่งพระอนุลนี้ท่านมีความจำที่ดีด้วธรรมะต่างๆคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี่พระอนุลนี้จะจำได้หมดคำสอนที่เกี่ยวกับธรรมะในแง่ต่างๆที่เรียกว่าพระสตรคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดง ในพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจัก์กับประวัตนัสูตรมงคลลสูตรเป็นต้นพระนุนนิปเป็นผู้ที่จดจํามีคำจําได้ดีเลยตอนที่มีการสังเวยนาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกคือสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปารมีพานไปแล้ว พาาาระอรหันต์ตัดสาวกห0 0รห้าร้อยรูปด้วยกันก็มาประชุมกันเพื่อมาสังคายนาหรือมาตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระภิกษุแต่ละรูปได้จดได้จำกันมาเอามาเปรียบเทียบ ก, กันดูว่าแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรและมินิฉัยลงไปว่า ส่วนไหนเป็นส่วนที่ถูกส่วนไหนเป็นส่วนที่ผิดก็มีพาาระอน์นี้ร่วมอยู่ในการสังคายนานี้ด้วยอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆนี้จะใช้การจดจำเพราะไม่มีสื่อเหมือนสมัยนี้สื่อการเรียนการสอนสมัยนี้ มีตัวอักษรมีหนังสือมีสื่อที่ทันสมัยก็คือมีภาพมีเสียงไว้บันทึกคำสั่งคำสอนแต่สมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีสื่อต่างๆต้องอาศัยการจดจำแลนะเพื่อเป็นความถูกต้องก็ต้องมีพระอาหารหันต์ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะรู้ทันทีว่าทาอันไหนเป็นเป็นธรรมที่ถูกต้องทาอันไหนที่ไม่ถูกต้องมีถึงห้าร้อยรูปด้วยกันที่มานั่งประชุ ม, มเพื่อมาสังคายนาหรือ ม, มาตรวจสอบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระภิกษรุรูปต่าง ได้จดได้จำกันมาว่าคาดเคลื่อนที่ตรงไหนบ้างอย่างไรแล้วก็มาสรุปลงว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนและถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการที่เราได้ เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังว่าสวาขาโตภะวตาธรรมโอธรรม ท, ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการเช<ม>่นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การทำบุญพาให้ไปสวรรค์การทำบาปพาให้ไปนรกไปอบายการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่มีพระอาหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันเป็นผู้รับรองความเป็นจริงอันนี้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็สามารถที่มีความตายใจได้มั่นใจได้ว่าคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก<ม>ที่ได้มีการจดจำกันมาเป็นระยะระยะจนถึงในยุคที่มีการ มีสื่อที่จะบันทึกไว้ได้เป็นตัวอักษร<ม>ก็มีการเขียนเป็นตัวอักษรแล้วันบรรจุไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก<ม>พระไตรปิฎกนี้แหละเป็นที่รวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีที่พระพุทธเจ้าทรง ประกาศพระพุทธศาสนาทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าเราอยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็สามารถไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้เลยศึกษาพระสูตรต่างๆที่เราสนใจเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีสอนหลายระดับด้วยกัน หลากหลายแต่ก็เป็นคำสอนที่จะสอนวิธีของการดับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆกันถ้าเราอยากจะต้องการที่จะดับความทุกข์เราก็ไปศึกษาจากพระสูตรต่างๆได้นี่คือการหมายความว่าการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งเป็นครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่สามารถมีครูอาจารย์รูปรูปอื่นได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้เรายังต้องศึกษาเรียนรู้วิชาทางโลกด้วยเพราะวิชาทางโลกนี้ก็เป็นวิชาที่จะมาช่วยให้เรามีความรู้ที่จะไปประกอบสัมมาชีพ เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูร่างกายของเราดับความทุกข์ทางร่างกายของเรา<ม>เราก็ต้องมีครูอาจารย์ทางโลกด้วย<ม>เช่นครูอาจารย์ทางโลกคนที่หนึ่ง<ม>ก็คือบิดามารดาของพวกเราเนี่<ม>ใครล่ะที่สั่งสอนให้เราทำอะไรต่างๆใครสอนให้เราพูดภาษา<ม>ใครสอนให้เราทาอะไรให้กิน<ม>ให้ทับทาย ให้อาบน้ำอาบท่าให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้มีกิริยามรารยาทที่สวยงามต่างๆเหล่านี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์คนแรกของลูกๆ ก, ก็คือบิดามารดา น, นี่เราเรียกบุพก า, ารบุพก า, ารของลูกๆตราบใดที่คำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ ไม่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถน้อมนำอาไปปฏิบัติได้แต่ถ้าหลักธรรมคำสอนของผู้นี้ไปขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่น mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวง mm hmm. ไม่ให้เสพอบายามุขอย่างนี้แล้วถ้ามี คนไหนมาสอนให้เราไปทำบาปสอนให้เราไปเสพบาบายามุกถ้าอย่างนี้เราก็อย่าไปถือเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ mm hmm. เพราะคำสอนของเขานี่ขัดหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าทำตามที่เขาสอนแล้วจะไม่ได้ดับความทุกข์ภายในใจแต่กลับจะสร้างความทุกข์ภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. อันนี้ก็ ขอให้เข้าใจว่าถึงแม้เราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาละก็ถือในลักษณะของวิธีของการดับความทุกข์ต่างๆของใจ mm hmm. ไม่มีใครที่จะรู้วิธีการดับทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ของใจได้เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ็น mm hmm. ถ้าใครมาเสนอว่าทําอย่างนี้แล้วจะดับความทุกข์ได้เราก็ต้องตรวจดูว่า ตรงกับครรสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าตรงกันไม่ขัดกันก็สามารถนเมาไปปฏิบัติได้แต่ถ้าขัดกันเมื่อไหร่แล้วก็อย่าไปเอามาปฏิบัติเป น, นันขัดเราจะถือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นเป็นคู่มือของการ ดำเนินปฏิบัติเพื่อให้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเรา<ม>นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังมีพระอริยสงสาวกที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนพระผู้ที่ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวีนยนายต่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. คำสอนของพระอริยสง์สาวกทุกรูปทุกองค์นี้ไม่มีคำใดที่จะมาขัดต่อบาตรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย mm hmm. เพราะว่าพระอริยสงสาวกทุกรูปนี้ mm hmm. ก็ได้ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง เมื่อศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาคำสอนที่ขัดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนได้อย่างไรถ้าเอาคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นพระอราิยสงสา ร, รูปอย่างแน่นอนซึ่งสมัยนี้เราก็ต้องรู้จักว่าพระสงฆ์นี้มีอยู่สองแบบด้วยกัน พระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์คำสอนของพระอริยะสงฆ์นี้รับประกันได้ร้อยเปอร์เซนว่าจะไม่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่คำเดียวแต่ถ้าเป็นคำสั่งคำสอนของพระที่เรียกว่าพระปุตุชน พระที่ได้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานอันนี้เราก็ต้องระวังอย่าไปถือว่าเขาเป็นพระอาริยสงฆ์อย่าไปเชื่อทันทีทันใดต้องเอาคําสอนของเขามาเปรียบเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าสอนตรงกันหรือไม่หรือสอนแล้วขัดหลักธรรมคาสอนหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันขัดกับหลักธรรมคาสอนแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อให้เสียเวลา เ, <ป>เรามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถพึ่งเป็นที่ดับทุก์ได้เรามีคำสอนของพระอริยสงสาวกที่เราจะสามารถพึ่งเป็นที่ดับความทุกของเราได้ดันั้นเราไม่ต้องไปพึ่งกับคำสอนของพระที่ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์พระที่สอนขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อย่าไป อย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาให้เสียเวลาก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ทาใจได้ mm hmm. น, นี้ก็สมัยนี้มีคําสอนแปลกๆเข้ามาอยู่เรื่อย mm hmm. มาในรูปแบบของเป็น mm hmm. พระสงฆ์บ้างมาในรูปแบบของเป็นพระอริยะคืนชีพมาบ้าง mm hmm. เป็นพระอนาคามีกลับมาเกิดบ้าง mm hmm. พอเขาพูดว่าเป็นอะไรก็เชื่อกันหูผึ่งกันขึ้นมา นี่เป็นพวกที่ตื่นมงคลพวกที่ไม่รู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย<ม>เป็นพ้านาคามีแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร<ม>ถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วจะรู้ว่าผ้านาคามีนี้ท่านไม่มีความปรารถนาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติกต่อไปเพราะท่านไม่มีความอยากจะเสพกามนั่นเองท<ม>่านไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะชนิดต่าง เมื่อไม่มีความอยากแล้วจะมีร่างกายไว้ทำไม <c oughs> ถ้ายังอยากจะเสพกามอยู่ยังอยากจะเสพรลปอเสียงกลิ่นเลือดผดผลาอยู่อย่างนี้แหละยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเป็นเครื่องมือในาการเสพกามมาคุณทั้งห้าปัญหาของชาวพุทธเราสมัยนี้ก็เป็นปัญหาที่ เกิดจากการไม่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพอใครมาสั่งมาสอนมาแอบมาอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามันรู้เป็นพระแล้วอริยะขั้นนั้นขั้นนี้ขึ้นมาก็หูพึงดีอกดีใจเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติโดยไม่รู้ว่าคําสั่งคําสอนเหล่านั้นตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ตรงกับคําสอนของพระ อ, อริยสงสารลกหรือไม่อย่างนั้นก่อนที่เราจะไปศึกษาคําสอนของผู้อื่นขอให้เราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนซึ่งก็เป็นคําสอนที่ถึงแม้จะมีมากมายแต่ก็เป็นคําสอนที่เราสามารถสรุปเอาพระสูตรสี่ห้าพระสูตรนี้มาศึกษาก็พอเพียงต่อการที่เราจะรู้ว่า วิธีของการดับความทุกข์ต่างๆนั้นดับได้อย่างไรเมื mm ่อ hmm. เราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในวิธีการดับความทุกข์แล้ว mm hmm. แล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติ mm hmm. ตามลำพังของเราได้เราอยากจะไปศึกษากับถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปได้ mm hmm. พราะท่านได้ศึกษากับพระ อ, อริยสงฆ์ที่แท้จริงท่านจะมีอุบายหลากหลายวิธีในการสั่งการสอนที่จะทําให้ธรรมะที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงแม้จะเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังอาจจะไม่เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติในแง่ต่างๆถ้าได้ไปศึกษากับพระ อ, อริยสงฆ์สาวกที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ เราได้บรรลุหรือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆแล้วท่านก็จะสามารถมีอุบายวิธีต่างๆมาสอนให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ น, นี่คือ <c oughs> ที่พึ่งอันแรกที่เราต้องมีกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเราเราจะไม่มีวันรู้วิธีของการดับความทุกข์ ได้เลยว่าดับอย่างไรบ้าง mm hmm. เพราะว่าในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้นี่ mm hmm. มีคนที่พยายามศึกษาพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ mm hmm. ก็ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย mm hmm. สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงปฏิบัติทรงเข้าหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพศึกษาวิธีดับความทุกข์ ให้หมดสิ้นไปจากใจก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปไหนที่จะสามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเลยมีแต่เพียงแต่รู้จากวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวในยุคสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรูน้นี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักบวช ท, ที่รู้จากวิธีดับความทุกข์แต่เป็นงานดับความทุกข์แบบชั่วคราว ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์อย่างถาวนวิธีที่ดับความทุกข์แบบชั่วคราวดับอย่างไร<ม>ก็ดับด้วยการเข้าสมาธินี่เวลาจิตใจเข้าสมาธิ<ม>ความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้<ม>เหมือนหินทับหญ้า<ม><ม>เวลาหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้ แต่ถ้าหลังจากเราเอาหินออกจากหญ้าแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งหญ้าก็จะ ง, งอกงามกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่ารากของหญ้ายังไม่ได้รับการถูกถอนออกจากดินนั่นเองชันใดสมาธิก็เป็นแบบนั้นสมาธินี้สามารถกดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ไม่ให้ทางานได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มไปสัมผัสรับรูบ้ ก, กับเรื่องเรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกนิ้กายและทางความคิดปรุงแต่งต่างๆตันหาความอยากต่าง ๆ, งๆที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็สามารถที่จะออกมาทำงานได้พอเกิดตันหาความอยากขึ้นมาความทุกข์ต่างๆก็ไหลตามมาทันที เช่นพอออกจากสมาธิมาพอไปเห็นร่างกายไปคิดถึงความแก่ของร่างกายคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคิดถึงความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ยังไม่ได้เกิดเลยเพียงแต่คิดถึงมันนั่นเองเช่นวั น, นวันนี้ก็มีญาติอยู่มาขอ ว, าว่าไม่อยากจะเป็นมะเร็งเลยต้องเป็นตรวจกลัวจะเป็นมะเร็ง กลัวละความทุกข์ความอยากไม่เป็นมะเร็งนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ความเป็นความทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาพิจารณาดูร่างกายว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่มีข้อยกเว้นไหมใครที่เกิดมาแล้วนี้จะไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีหรือไม่ไม่มีหรอกมีความเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อ ย, ยเป็นช้าเป็นเร็ว แต่ต้องมีด้วยกันทุกคนก่อนจะตายนีย่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นก่อนการพิจารณาตามความเป็นจริงของร่างกายแล้วเห็นว่าหนีไม่พ้นเมื่อเกิดมาแล้วต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาร่งพ้นความแก่ความเจ็บความตายเลยไม่ได้ความรู้อันนี้แหละที่จะมาช่วยเราดับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พอเราจะรู้ว่าอยากอย่างไรมันก็อยากมันก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้ร่างกายแก่มันก็ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้อยากให้ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นมะเร็งไปอยากให้มันไม่เป็นมันก็ไม่ได้ไปหยุดความเป็นมะเร็งของมันได้มันจะตายก็ไม่สามารถไปหยุดความตายของมันได้แต่ความจริงอันนี้ในยุคที่พระเจ้าได้ทรงบาเพ็ญ ยังไม่มีใครรู้วิธีที่จะใช้ปัญญาดับความทุกข์ใจเวลาที่ออกจากสมาธิ<ม>พอเวลามีความทุกข์ใจก็อาศัยการเข้าสมาธิไปสวดมนไหว้พระไปนั่งสมาธิไประงับตันหาความอยาก<ม>พอใจสงบใจก็ไม่ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของร่างกายมันก็หายไปชั่วคราว แต่พอออกมาจากสมาธิมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วมานึกถึงร่างกายของเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันความทุกข์มันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ตราบใดถ้าเรายังไม่สามารถเอาปัญญามาสอนใจให้เลิอกอยากให้ได้สิ่งที่จะทําให้ความอยากนี้หยุดได้หายได้ก็คือความจริงความจริงของร่างกายเช่น ร่างกายมีร่างกายของใครบ้างที่ไม่แก่บ้างไม่เจ็บใครได้ป่วยบ้างไม่ตายบ้างไม่มีให้คิดอย่างนี้พิจารณายิาง่งบ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งใจมันก็ยอมรับเองพอยอมรับแล้วความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันก็จะหยุดไปทันทีหายไปทันทีความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเลยแต่นี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้ในยุคที่พุทธเจ้าทรงบําเพ็ญ ทรงศึกษาคนหาคำตอบเมื่อไม่สามารถเรียนรู้จากครูบาอาจารย์รูปต่างๆได้พระองค์ก็เลยต้องเป็นผู้ที่ไปสอนตัวเองไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไปลองผิดลองถูกไปพินิจพิจารณาไปวิเคราะห์ทั้งเหตุทั้งผลต่างๆจนในที่สุดก็ค้นพบสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากความอยากของใจ มีความอยากปุกขึ้นมานี่ใจจะกะวนก็วายก็สับก็สายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะะพอพิจารณาความจริงว่าสิ่งที่ใจอยากได้นี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะหรือถ้าได้มาแล้วมันก็ได้มาเก็บไว้ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีนะี้นไม่ว่าจะได้อยากอะไร มันจะทำให้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้อะไรเลยอย่าไปอยากมีอะไรอยากอย่าไปอยากเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยส่งเห็นวิธีว่าการจะทำให้ความอยากหมดไปได้ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นะั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนซึ่งมันถึงแม้ถ้าจะได้มาก็ได้มาครอบครองแบบชั่วคราว เลเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะหายไปจากเราไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอันนี้แหละเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้ได้ในโลกนี้วิธีการดับความทุกข์คือรู้ในพระอริยรสัจสี่ความรู้ในพระอริยสัจสีนี้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองมีคนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ก็คือพระโพธิสัตว์เช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถนีที่จะมาตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงพระริขัตสีได้เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากได้ด้วยตนเองพอรู้แล้วว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วก็รู้แล้ววิธีที่จะทาให้ทุกหายไปนั้นทำอย่างไรพอทำตามวิธีที่ได้เรียนรู้มา ความทุกข์ที่เคยมีมันก็จะหายไปหมดจากจิตจากใจหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเอาความรู้นี้มาใช้กับพระ อ, องค์เองเอามาดับความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์จนหมดสิ้นไปแล้วพระ อ, องค์ก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปหลังจากที่ได้ทดสอบอย่างมั่นใจแล้วว่า วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้เพราะได้ทดสอบด้วยตัวของตัวเองได้ทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนเองให้หมดสิ้นไปได้ด้วยวิธีการของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติมรรคที่มีองค์8นะหรือถ้าสรุปองก็อยู่ลงที่3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันวิธีของการดับความทุก ของใจนี้พระเจ้าทรงสรุปลงอยู่สามหัวข้อด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปจะสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่เชื่อนองลองทำบาปดูทำแล้วใจจะรู้สึกมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ทำบาปแล้วนี่ไปพ้นไปจี้นี่ถึงแม้จะดีใจที่ได้เงินมาแต่ความทุกข์กังวลใจก็จะตามมาทันที ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับเข้าไปขังคุกขังตารางเมื่อไหร่ความทุกข์ใจมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้ทำบาปแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปความทุกข์ใจมันก็ไม่เกิดขึ้น อ, อันนี้คือข้อที่หนึ่งสงสอนว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปทำบาปแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ไม่ไม่ทาให้เกิดความทุกข์ เราก็ต้องทำความดีต่างๆอย่าไปหาความสุขจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงคืออย่าไปหาความสุขจากกามคุณห้าอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้าอย่าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงก็คือมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไป พอมันเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หมดไปความทุกข์ความเศร้าก็จะตามเข้ามาแทนที่แต่การทำความดีต่างๆการทาบุญทาทานการทำคุณทำประโยชน์ท ำ, ทำให้ผู้ได้มีความสุขหรือได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ลงไปนี้มันจะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจแบบนี้มันจะอยู่คู่กับใจไปเรื่อย ถึงแม้ได้ทำไปแล้วหลายวันเพียงแต่นึกคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจเพราะมันยังฝังอยู่ในใจอยู่มันจะหมดไปจากใจได้ก็ต่อเมื่อไปรับผลบุญของผลบาปไปรับผลบุญก่อนคือความสุขใจที่อยู่ในใจนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วใจกลายเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่ไปเกิดในสวรรค์บุญนี้แหละ ความดีเนี่ยที่จะเป็นตัวส่งใจให้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ไปรับผลของบุญนี้ในสวรรค์คือความสุขของของสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่ามันจะหมดถึงจะได้ลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปนี่ก็คือกระบวนการวิธีการที่พูะเจ้าสรุปลงสามข้อใหญ่ๆ วิธีการดับความทุกข์วิธีสร้างความสุขให้แก่ใจดับความทุกข์ด้วยการไม่กระทำบาปไม่เสพอบายมุกสร้างความสุขด้วยการทำบุญทำทานแล้วก็ดับความทุกข์ด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมๆกับสร้างความสุขให้กับใจพร้อมๆกันไปด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะเป็นใจที่ มีแต่ความเศร้าหมองมาครอบงำมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองพอสามารถกำจัดสิ่งที่ทำสร้างความเศร้าหมองให้แก่ใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวเศร้าหมองที่ทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราหมองที่ทำให้ใจเราไม่สดชื่นเบิกบานที่ทำให้ใจเราทุกข์วิตกกังวลหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆนี่ ตัวนี้แหละก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆเราต้องชำระมันด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการรักษาศีลศีลของนักบวชศีลแปดขึ้นไปเราจึงจะสามารถที่จะชำระจิตใจทรกฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เกี่ยวกับวิธีการของการดับความทุกข์ที่ถูกต้องดับทุกข์ได้อย่างอย่างถาวรอย่างราบคาบดับแบบไม่มีวันที่จะหวนกลับมาเกิดอีกต่อไปเลย<ม>พอพระพุทธเจ้ากับพระอรันตาสาวกนี้ท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแนละ้วด้วยใจของท่านเองแนละ้วใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์อย่างหลุดพ้นอย่างถาวรหลุดพ้นอย่างที่ไม่มีวันที่จะกลับมามีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไป หลังจากนั้นก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนถ้าพวกเราต้องการที่จะดับความทุกข์ทางใจเราขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงผู้เดียวหรือเป็นแหล่งเดียวอย่าไปศึกษาวิธีการดับความทุกข์ของของอาจารย์รูปอื่นซึ่งในสมัยพระพุทธเจ้านี้ก็มีวิธีดับความทุกข์ที่เรียกว่าความทุกข์ดับความทุกข์ด้วยวิธีสุดตง พวกนึงก็คิดว่าวิธีจะดับความทุกข์ไม่ให้ใจทุกข์ก็คือต้องเที่ยวต้องกินต้องดื่มต้องหาความสุขจากการเสพกามเพราะเวลาเสพกามแล้วมันก็มีความสุข<ม>แต่มันเป็นความสุขชั่วคราวหลังจากที่ไม่ได้เสพปั๊บเมื่อไหร่ขึ้นมามความทุกข์ความเศร้าหมองก็จะกลับเข้ามาแทนที่ทันที<ม>วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะใช้วิธีนี้กัน ทุกว่าเนี้ยที่ดิ้นรนกันหาความสุขกันก็หาความสุขจากรูปเสียงจิตนนี้เองฮะไปเสพไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของอะไรต่างๆมาเสพกันของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วมันดับความทุกข์ทางใจได้ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยดิ้นรนหวาดวิตกหวาดกลัวไปต่างๆนานาแล้วแทนที่จะไปหา หาวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องก็ไปหาวิธีที่ไม่ถูกต้องไปขอน้ามนต์บ้างไปขอให้พระเศกให้พระเป่าบ้างพระอาบน้ำมนต์ให้บ้างหรือไปหาวัตถุมงคลต่างๆเอามาบูชาบ้างขอเหล่านี้มันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ฉะนั้นอย่าไปหาอย่าไปดับความทุกข์ด้วยวิธีที่เรียกว่าการมสุข อีกพวกหนึ่งก็หาวิธีดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายของตนคิดว่าถ้าเราทำให้ร่างกายเจ็บได้แล้วเราจะพอเราทนกับความเจ็บของร่างกายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่เพราะความเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายแต่มันอยู่ความอยากไม่เจ็บของร่างกายตา่างๆถึงแม้ว่าเราจะทนเจ็บก็ยอมเจ็บแต่ถ้าเรายัง อยากไม่เจ็บอยู่มันความทุกข์มันก็ยังไม่หายไปอยู่ดีมันต้องรู้ว่าความเหตุที่ทำให้เราทุกข์นั้นเกิดจากความอยากไม่เจ็บต่างหากแล้วเราต้องสอนใจให้เฉยๆซะเวลาเจอความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปกลัวมันอยู่เฉยๆอยู่กับมันไปหัดอยู่กับมันไปให้ได้แล้วต่อไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาเราเจอความเจ็บนะ นี่คือผู้ที่รู้วิธีการดับความทุกข์อย่างแม่นยาอย่างถูกต้องร0อยเปนี้มีแค่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนอกนั้นแล้ว<ช>เป็นพวกที่หูหนวกตาบอดลองผิดลองถูกไปกันเทนั<ช>้นถ้าไปทำตามที่เขาบอกแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้<ช>บางคนก็ไปหาหมอดูบางคนก็ไปหาสินแส ไปดูว่าหุงชุวยดูอะไรต่างๆดูไปจนมันตายมันก็ไม่ทําให้ความทุกข์ในใจดับไปได้หรอกต่อให้หมอดูทํานายว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีความทุกข์มันก็เป็นการโกหกแท้ๆอยู่นั่นนะมีอะไรที่ไม่ไม่เสื่อมบ้างมีอะไรที่เจริญแล้วไม่เสื่อมบ้างมีอะไรที่สุขแล้วไม่ไม่ไม่หมดไปบ้างมันไม่มีหรอกของในโลกนี้ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังเราไม่สามารถยึดเอามาเป็นครอบครองให้มันเป็นของเราอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องพัดพากจากเราไปเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราลักไปอะไรตามมาก็คือความทุกข์ใจนั่นแหละมันที่จะตามมาต่อไปนี่คือความรู้ที่เราต้องศึกษาให้เรียนรู้ว่าทุกของเราเกิดจากอะไร โดยหลักก็เกิดจากตัรหาความอยากแล้วก็เกิดจากการกระทาบาปแล้วก็เกิดจากการไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองการไหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คืออะไรก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่แน่นอน สุกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลายเป็นทุกข์ก็ได้แต่งงานกันวันนี้พรุ่งนี้ตีกันแล้วก็ได้ทะเลาะกันแล้วก็ได้ความสุขที่ได้มันเป็นของชั่วคราวถ้าไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอความทุกข์ถ้าอยากจะหาความสุขจากความสุขที่แน่นอนที่ไม่เปลี่ยนเป็นความทุกข์<ม>ก็หาความสุขจากการทาบุญทาทานนี่ทําความดีต่าง บุญที่เราทำทุกเนี่ยมันไม่เคยมาทำให้เราทุกข์เลย mm. การช่วยเหลือคนอื่นนี่มันไม่มีทำให้เราทุกข์เลยถ้าเราทำแบบไม่หวังผลตอบแทนจากเขา mm. ถ้าเราทำแล้วหวังให้เขาดีกับเรามีความซื่อสัตย์กับเราอันนี้อาจจะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเ д, เขาไม่ดีกับเราหรือเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรา เพรนั้นเราไม่ทําความดีหรือทําบุญเพื่อหวังผลตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทําด้วยไม่หวังอะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่อยากจะให้เขาอยู่ดีเป็นสุขอยากจะให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนส่วนตัวเขาเองนี้จะดีกับเราหรือไม่จะอะไรกับเราหรือไม่นี่อย่าไปหวังถ้าไม่อยากจะทุกขนะ์เพราะถ้าไปหวังแล้วหวังให้เขาดีกับเราหวังให้เขาไม่หักหลังเรา พอเขาหักหลังเราเ็าไม่ดีกับเรามันจะทำให้เราเสียใจได้อยากที่เราทำเพราะเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วก็อาจจะตายก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ช่วยไปเป็นมนุษยธรรมเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ด้วยกันที่บางครั้งบางคราวชีวิตก็อาจจะพาไปสู่ที่ต่าได้ตกทุกข์ได้ยากตกต่าได้ ถ้าพอที่จะช่วยเหลือกันได้ดึงกันให้ขึ้นมาได้ก็ทำไปแต่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพียง mm. แต่ครับเห็นว่าเขาได้มีความสุขมากขึ้นหรือ ม, มีความทุกข์น้อยลงแค่นี้เราก็พอใจนะ้วความสุขที่เราได้จากการทำความดีแบบนี้มันจะไม่มาทำให้ใจเราทุกข์ได้เลยจะทุกข์ได้ต่อเมื่อเราทำทาดีเพื่อหวังผลตอบแทนเทั้พอไม่ได้ผลตอบแทนแล้วก็จะเสียใจได้ นนแล้วก็วิธีที่สามที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ก็คือชำระใจให้สะอาดชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆด้วยการบําเพ็ญ จ, จิตตะภาวนาด้วยการถือศีลของนักบวช น, น, นี่คือสิ่งที่เราต้องทำและเป็นที่มาของที่พึ่งทางใจข้อที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถ ตอนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้หมายถึงเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเองเราต้องเป็นผู้ทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําแทนเราไม่ได้พระอริยสงสาวกทําแทนเราไม่ได้ท่านละบาปให้เราไม่ได้ท่านเลือกการเสพอ บ, บายมุขให้กับเราไม่ได้ท่านทําบุญแทนเราไม่ได้ท่านภาวนาทำนัดใจให้สะอาดบริสุทธิ์แทนเราไม่ได้ งานนี้เป็นงานของใครของมันตัวใครตัวมันทําแทนกันไม่ได้ถ้าทําแทนได้พวกเราป่านนี้ก็ไปนิพพานกันหมดแล้วสบายเพียงแต่ท่องพุทธทงางธรรมังสังฆทางสันนังกะชามีข้าพเจ้าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งพอพระพเจ้าบอกษาทุกปั๊บก็เข้านิพพานไปเลยถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้ก็ดีไม่ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถให้เสียเวลาไปเปล่า ทำไมพระเจ้าถึงสอนให้มีอัตตาหิอัตโนนาเถก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมการชำระกิเลสการละการกระทบบาปการทำความดีต่างๆนี้มันต้องทำเองคนอื่นทำให้เราไม่ได้ถ้าคนอื่นทำให้เราได้ก็สบายเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่ยังพอใช้ที่ทำอะไรให้เราได้อาบน้ำให้เราได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้เราได้เพราะเรายังเล็กอยู่เรายังไม่มีความสามารถ แต่มันเป็นเรื่องของทางร่างกายเรื่องของทางร่างกายนี้คนอื่นอาจจะมาช่วยทำอะไรให้เราได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เขาก็อาจจะมาช่วยซักผ้าให้เราช่วยอาบน้ำให้เรา mm hmm. ช่วยไปหายามาให้เรากินได้ mm hmm. แต่เรื่องทางใจนี้มันทำแทนกันไม่ได้ mm hmm. ต้องอัตตาหีอัตโนานาโถ mm hmm. ตอนเป็นที่พึ่งของตนถ้าไปศึกษา mm hmm. ไปเรียนรู้ทำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาปฏิบัติให้เรานี่ก็เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติให้เราได้พวกเราก็สบายกันไปหมดนะไม่ต้องมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันให้เสียเวลาเพียงเข้าเพียงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรัทเป็นที่พึ่งแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจมันก็จะหมดไปจากใจมันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นการไปถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจของเราว่ามันเกิดจากอะไรความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเกิดจากความการการะทาบาปพอทาบาปแล้วใจเราก็ทุกข์เกิดจากการไปหาความสุขในทางที่ผิดไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคือไปหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง อยากจะหาความสุขให้หาความสุขจากการทําความดีทําความดีทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้ใครทุกข์ยากเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้เขาได้ก็ทําไปใครไม่มีความสุขพอสามารถแบ่งบันความสุขที่เรามีอยู่ให้กับเขาได้ก็แบ่งไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างความสุขที่ไม่มีไม่มีทุกข์ตามมา การทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆนี้ไม่มีทุกตามมาแล้บุญกุศลที่เราทำนี้มันก็อยู่กับใจเราไปเป็นเวลาอันยาวนานมันจะติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วแต่ความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นล้านี้มันไม่ไปกับใจพอร่างกายตายไปเงินทองกองเท่าพีเขาก็ไม่ได้ไปกับใจตําแหน่งต่างๆเป็นนายกเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปกับใจ คาร้อนสนาเสรยยกย่องยืนยอเหรียญทองต่างๆที่ได้จากการแข่งขันอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ได้ติดตัวไปกับใจเลยเอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่จะติดตัวไปกับใจก็คือบุญ mm. หรือบาปเทนี้ถ้าบุญไปก็บุญก็ให้ความสุขไปพาไปสวรถ้าบาปพาไปบาปก็ปาให้ไปเกิดนอาบาย mm. ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกกายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าสามารถชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะไปเกิดใจก็จะไปอยู่ที่พระ น, นิพพานที่นิพพานนี้ก็คือที่อยู่นอกการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับยาอมอากาศที่เขาส่งออกไปจากโลกนอกโลกนี้ พอมันพ He mm ้นรัศมีของแรงดึงดูดของโลกมันก็จะไม่ตกกลับลงกลับมาในโลกนี้อีกต่อไปมัน huh. ก <fo? So, S 2> ็จะเลาะมันก็จะล่องลอยอยู่ในอวกาศเพราะว่าแรงดึงดูดไม่สามารถดึงดูดยานอวกาศที่พ้นรัศมีของการดึงดูดของยานของยานนั้นได้แล้วยานก็จะไม่ตกกลับมาในโลกนี้อีกต่อไปใจที่หลุดจากรัศมีของกิเลสตัณหาแรงดึงดูดของกิเลสตัณหา สัวที่ดึงดูดให้ใจเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยในตายพบเนี่ยกลับมาเกิดในกายมาพบก็ดีรูปะพบก็ดีอรูปะพบก็ดีสัวที่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในพบทั้งสามนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่ความอยากเสพการมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดในกายมาพบความอยากจะเสพความสุขของรูปชามันก็จะดึงให้เรามาเกิดในรูปะพบ ความอยากจะเสพความสุขของอารูปฌานเหมือนก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดในอารมูปพบ mm. แต่ถ้าไม่มีความอยากทั้งสามหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย mm. ก็จะไม่มีแรงดึงดูดใจให้กลับมา mm. เวียนว่ายตายเกิดในการมมเพบอีกต่อไป mm. และการที่จะทำให้ใจหลุดออกจากรัศมีของการแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาได้ mm. ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติชำนาญใจชำนาญกิเลสตัณหา ด้วยการด้วยการถือศีลศีล8ขึ้นไปศีลปศีลสิศีลส2 7รเ น, นีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาทำใจนิ่งให้สงบได้เท่ากับการหยุดความอยากต่างๆได้ไว้ชั่วคราวแล้วพอมีกำลังหยุดความอยากได้ถึงแม้จะเป็นชั่วคราวขั้นต่อไปก็ไปศึกษาทางปัญญาเพื่อที่จะหยุดความอยากอย่างถาวร ด้วยการเห็นว่าการปล่อยให้มีความอยาก ใ, ในใจนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บในหมอเขาก็วิเคราะห์ว่าเพราะมีเชื้อโรคเช่นมีโควิดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะโควิดถ้าอยากจะให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องกำจัดเชื้อโรคนั้นให้มันหมดไปจากใจพอใช้ยามารักษากำจัดเชื้อโรคที่มีอยู่ที่ทาให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ พอเชื่อโลกถูกฆ่าตายด้วยยาโายครคภัยค่าเจ็บก็จะหมดไปชั้นใดนะความทุกข์ต่างๆของใจก็เกิดจากกัรหาความอยากนี่ใช้สมาธิก็หยุดได้ชั่วคราวแต่พอมาใช้ปัญญาสอนว่าต้องหยุดความอยากเท่านั้นต้องไม่ทําตามความอยากเท่านั้นแล้วถ้าพอรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้ เห็นตอนนี้ญาตโยมก็ฟังมาจนหูฉีกแล้วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์กันแต่พอทุกข์ขึ้นมารู้ก็รู้ว่าอยากแต่ก็อดความอยากหยุดความอยากไม่ได้ mm. ก็เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีกําลังของโอเบขา mm. แต่ถ้าเรามีกําลังของโอเบกขาคอยหยุดคอยเข้าสมาธิได้เคอยหยุดกิเลสได้แบบชั่วคราวพอเรามาศึกษาทางด้านปัญญาพอมารู้ว่าวิธีของการที่จะทําทให้ใจไม่ทุกข์กับอะไรนี้ ก็ต้องไปหยุดความอยากเท่านั้นเองพอเรารู้ว่าตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากเราก็หยุดมันได้ทันทีถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาอยู่ในใจเพียงแต่ทำใจเฉยๆนั่นอยากไม่แก่ก็หยุดความอยากไม่แก่ไปแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปอยากไม่เจ็บก็หยุดความอยากไม่เจ็บไปปล่อยให้มันเจ็บไปอยากไม่ตายก็หยุดความอยากไม่ตายไปปล่อยให้มันตายไปอยู่เฉยๆไปเท่านั้นเอง ใจก็จะไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายอีกต่อไป<ช>แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธินี่เฉยเฉยไม่ได้<ช>พอแก่ก็ทุกข์แล้วแก่ต้องรีบหาหายาย้อมผมกันแล้วหาเครื่องสาอางอะไรม า, รมาโปะมามาแต่งมาให้หน้าตามันตึงกันบ้างพอไม่ยอมแก่ไม่อยากแก่<ช>พอเจอโรคภัยไข้เจ็บก็คาดอยู่ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างคนที่มาขอพอรเมื่อเช้านี้ขออย่าให้ได้เป็นมะเร็งเลยเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นหมอเราสั่งมันไม่ได้สั่งมันได้ก็ดีตัวเราเองมันนี่อาจจะต้องเป็นเลยแล้วเราไ ป, ไปสั่งให้คนอื่นไม่เป็นได้อย่างไร <Yeah. S 1> ต้องยอมรับความจริง <Yeah. S 1> เฉยๆไป <Yeah. S 1> มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะสงบใจเราจะเย็นจะสบาย yeah. Yeah. ถ้าถึงเวลาจะต้องตายก็ปล่อยมันตายไป ทำใจเฉยๆท่าทนันเองทำใจให้นิ่งให้สงบอย่าไปอยากตายอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่ตายนี่มันจะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง<ม>ที่เราทุกข์ทรมานกันเพราะ<ม>เพราะความอยากนี่แหละความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่<ม>ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการทำสมาธิทำใจให้เป็นอุบเบกขา แล้วก็ใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาเกิดความทุกข์ก็ให้ค้นหาดูว่ามันอยากอะไรวะมันถึงทําให้เราทุกข์กันนะ่ะพอรู้ว่ามันอยากไอ้นี่ก็หยุดมันเสียให้ได้อพอหยุดมันได้ด้วยปัญญาแล้วก็สมาธิอพอรู้ว่าต้องหยุดตัวนี้แล้วเรามีสมาธิมีกําลังของอุบเบกขาเราก็สั่งให้ตัวนี้หายไปได้อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาได้อันนี้คืองานที่เราต้องทําเองที่เพิ่ง ข้อที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่สร้างธรรมะต่างๆขึ้นมาสร้างธรรมะสร้างศรรางีลขึ้นมาเพื่อลัการกระทําบาปถ้าเรามีศีลเราก็จะไม่กระทําบาปได้แล้วก็สร้างบุญขึ้นมาทำบุญทำทานแล้วก็สร้างการปฏิบัติเ <S S> จริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาตามลําดับ นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันต้องสร้างกันขึ้นมาเองเพราะมันยังไม่มีในใจเราใจเรายังไม่มีศีลเราก็ต้องรักษาศีลกันใจเรายังไม่ชอบทำบุญทำทานเราก็ต้องบังคับให้มันทาบุญแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญกันดีกว่าแล้วเราก็ต้องไปเจริญสตินั่งสมาธิให้มีความสงบให้มีอุเบกขาแล้วก็มาศึกษาว่าอะไรเป็นตัวที่ทาให้ใจเราทุกข์응 เราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากต่างๆชนิดต่างๆแล้วพอเวลาเกิดความทุกข์ใจเราก็มาค้นหาดูว่าตอนนี้ทุกข์กับอะไรทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยใช่ไหมไม่อยากจะเจ็บไายได้ป่วยใช่ไหม uh huh. ก็แล้วมันห้ามมันได้หรือเปล่ปาใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจ uh huh. ถ้าสอนใจให้เห็นว่ามันห้ามความเจ็บไายได้ป่วยไม่ได้ต้องยอมรับมันก็หยุดความอยากไม่ไม่เจ็บได้ยอมเจ็บไป พอยอมเจ็บความทุกข์ทรมานใจต่างๆก็จะหายไปนี่แหละคือที่พึ่งทางใจที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพราะตอนนี้เรายังมีพระพุทธศาสนาอยู่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งทางใจอันดับที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะเป็นที่พึ่งของเรา ต้องไปศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคาสั่งคาสอนของพระอริยสงสารพุทธะที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรสอนให้เราดับความทุกข์ด้วยการละการ ก, กระททำบาปสอนให้เราดับความทุกข์ด้วยการทำบุญทำกุศลสอนให้เราดับความทุกข์ด้วยการกำจัดชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ พอเรารู้ว่าเราต้องทําทั้งสามข้อนี้แล้วเราก็นํำมาไปกระทํากันทําไปเรื่อยๆทำจากจากน้อยไปหามากตอนต้นอาจจะรักษาศีลหข้อไม่ได้ก็เอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ยังดี<อ>ข้อสุลาก่อนได้ไหมแล้วค่อยข้อโกหกแล้วค่อยมาข้อปฏิบัติผิดประเพณีแล้วก็มาเติมข้อรักทรัพย์แล้วข้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยข้อไหนที่เราทําได้ก็ทําไปก่อน อย่ามารอว่าต้องรอให้ครบ5ข้อก่อนแล้วค่อยมารักษาสิ่งถ้ารอไปอย่างนี้รอไปจนมันตายมันก็ไม่มีวันครบแต่ถ้าเราค่อยเพิ่มไปทีละข้อสองข้อไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรักษาได้หมดทุกข้อเช่นเดียวกับการทําบุญทําบุญใส่บาตรทุกวันได้ไหมถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยวันพระ ก, ก่อนได้ไหมวันพระ ก, ก็ใส่บาตรสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ใส่บาตรจะทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้คิดถึงพ่อของแม่ก็ไปหาข้าวหาอะไรซื้อของมาให้พ่อให้แม่อันนี้ก็เป็นการทําบุญได้เหมือนกันพยายามหัดฝึกให้ทําให้มันเป็นนิ ส, สัยทุกครั้งอยากที่ทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขยาเาเงินไปซื้อการมคุณมาเสกอย่าไปเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกิ่นรลมาเสกให้เอาเงินไปทําบุญ ท, ท, ทําทานแทนแล้วความสุขใจนี่ที่ได้จากบุญนี้มันจะไม่กลายเป็นความทุกข์ เมือกับความสุขที่ได้จากการเสพการความเสพการนี้ได้มาแป๊บเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิไปปรีกวิเวกหาสถานที่สงบแล้วก็หมันพิจารณาอริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธม า, ก อ, ออมมอ า, ากอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้เลยพิจารณาไตายลักษณอยู่เรื่อยๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะมีปัญญา ที่จะรู้ว่าเหตุของความทุกข์ของเราก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี้แล้วเราก็จะสามารถละได้ด้วยปัญญาเกละถ้าเราเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เราก็จะละมันได้ถ้าเราเห็นอรยิยสัจสี่เราก็จะละมันได้ น, น, นี่ก็คือที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่มีอยู่สองระดับด้วยกันสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือพุทธทางธรรมังสังฆังสานังกฉามิ การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเป็นครูเป็นอาจารย์สอนวิธีดับทุกข์แล้วก็ที่พึ่งส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาถูคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในการดับความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราหวังให้คนอื่นมาปฏิบัติให้กับเราเราต้องปฏิบัติเองเราต้องเป็นที่พึ่งของตอนเอง ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำมาใบพิพนิ์พิจารณาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปตารแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตชินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิชิตังปัต um ิธตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติอารโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาธานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทาทันติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุด พรหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะจะมีคนเข้ามาถ่ายรูปบ้างมาลาบ้างมาอะไรบ้างก็เลยจะทําให้ไม่สะดวกที่จะคุยกันอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเ facebook ห้าร้อยหกท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่สิบเจ็ดท่านทาง y o u t u ด็อตรวีเจ็ดสิบเจ็ดท่านวิทยุออนไลน์สิบหกท่านขับเฮาส์ห้าท่านแล้วก็ผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าสิบเจดท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดท่านครับ กรารัชการพระอาจารย์เช่ค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติถามเข้ามาว่ากราบเรียนถามว่าการที่เราเห็นพระท่านฉันน้ำมะพร้าวอ่อนในตอนบ่าย แล้วใจเราก็บอกว่าผิดพระธรรมวินัยเพียงแค่นึกอยู่ในใจไม่ได้กล่าวออกมาเป็นวาจากับใครถือว่าเป็นการจับช่วงพระธรรมวินัยและพระสงฆ์หรือไม่เจ้าคะก็ไม่หรอกเวลาเราเห็นคนก็ขับรถฝ่าไฟแด ง, งไปเลยเราก็ว่านี่มันไม่ทำผิดทาถูกกฎหมายก็ทํา น, นั้นเองเราทาผิดก็รู้ว่าผิดก็แล้วกนันไม่จับช่วงอะไร ม, มันก็เป็นเรื่องปกติ มีกฎมีระเบียบถ้าไม่ทําตามกฎตามระเบียบก็รู้ว่าทําผิดก็รู้ได้แต่เพียงแต่เราไม่ต้องไปพูดกับเขาเรืออะไรท่านรู้ไปภายในใจของเราก็แล้วกันเพราะว่าไปพูดเนี่ยว่าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาได้อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาสขึ้นมาได้ยังให้รู้เฉยๆรู้ก็ปล่อยวางไปรู้ผิดถูกดีชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรถ้าเป็นเรื่องของเราถ้าเราผิดเราก็แก้ไข อย่าไปทําซ้ำอีกแค่นั้นเองชอค่ะคำถามที่สองกราบเรียนถามพระอาจารย์พระคือการมีสติที่ทําให้ใจเกิดความสมดุลระหว่างปัญญาในวงเล็บศรัทธาและปัญญาและสมาธิในวงเล็บสมาธิวิริยะใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้การปฏิบัตินินไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไประหว่างปัญญาและสมาธิไม่ใช่หรอสติก็คือสติสติก็คือตัวให้รู้ให้หยุดความคิดต่างๆให้รู้กรรมฐานเช่นรู้พุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างตงทนั้นเองแล้วก็สติเป็นตัวที่ทำให้เกิดสมาธิ นั่งสมาธิถ้ามีสมาธิใจก็จะสงบแล้วถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องมีสติเป็นตัวเป็นตัวควบคุมความคิดให้คิดไปในทางปัญญามันไม่ได้เป็นตัวที่มาให้มันเกิดความสมดุล ร, ระหว่างนั่นกับระหว่างนี่มันเป็นตัวที่ควบคุมใจสตินี้เป็นเหมือนเบรกรถยนต์ถ้ารถยนต์ว่าวิ่งเร็วไปก็เหยียบเบรกลงมันก็วิ่งช้าลงถ้ามันมปลอดภัย สติก็เหมือนกันถ้าคิดฟุ้งซ่านก็หยุดมันด้วยสติทำใจให้สงบถ้าคิดไปทางกิเลสก็ดึงให้มาคิดทางธรรมคิดทางปัญญาเช่ค่ะคำถามจาก y ยูทูบค่ะกราบเรียนถามครับว่าพระอนาคามีขั้นสูงขึ้นไปท่านใช้ธรรมะอะไรข้อไหนละมาณนะและความถือตัวถือตนครับ ก็ใช้ปัญญาใช้อนาตตาไงตัวตนไม่มีคําว่าอนาตตาก็คือไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนนมพัดแดดดองนี่มีตัวตนไหมใครมาทําให้ลมมันพัดหรือเปล่าใครมาทําให้แดดมันออกหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยความคิดที่ว่าเราเป็นตัวเป็นตนก็เป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเองเป็นแต่เราไม่หลงเชื่อไปติดกับความคิด พอคิดขึ้นมาปั๊บก็เชื่อมีจริงขึ้นมาทันที mm hmm. พอหยุดความคิดก็ไอความตัวตนก็หายไปทันทีนั mm hmm. ้นให้รู้ว่ามันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึง่งเหมือนเสียงลมพัดเนี่ยความคิดก็เหมือนเหมือนเสียงลมพัดคิดได้มันก็เป็นเรื่องนั้นเป็นนี่ขึ้นมาพอเราหยุดคิดมันก็หายไปเจ้าคา่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าคา่ะ เดี๋ยวนั่งรอปั๊บกล็ลผยกำลังส่งคำถามเข้ามาคำถามจากเฟซบุ๊กใช่ไหมกราบเรียนถามค่ะพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วดวงจิตท่านยังอยู่ไหมคะหรืออยู่ในแห่งหนใดเจ้าคะอยู่ที่เดิมเะี่แต่อยู่ที่ไม่เกิดท่านเองพวกเราก็อยู่ที่เดิมแต่ยังอยู่ที่มันเกิดอยู่ คือจิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเลยไม่ต้องมีสถานที่เหมือนร่างกายร่างกายมีรูปร่างมันต้องมีสถานที่ตั้งของร่างกายและจิตมันเหมือนความว่างอเงี้ยมันไม่มันไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมนมมัี่ที่เปนเคลื่อนไหวก็คือความคิดความอยากต่างๆอย่างเนี้ยเองพอคิดไปทางความอยากมันก็พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดพอคิดหยุดความอยากได้มันก็จะอยู่กับที่ไย่งเงี้ยมันรถยนต์ที่เราจอด พาเราเหยียบเบรกปั๊บปิดเครื่องปั๊บรถยนต์มันก็จอดที้งั้นมันไม่ไปไหนต่อแต่ถ้าเรายังไม่ดับเครื่องยังไม่หยุดเบรกรถมันก็วิ่งต่อไปได้ คำถามจาก Facebook เจ้าค่ะกลาบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วเมื่อนิ่งแล้วจะรู้สึกลำคาญเส้นผมบริเวณใบหน้ามากต้องทําอย่างไรดีคะยังไม่นี่งถ้าเนี่งจริงแล้วไม่ลำคางอย่างไรนะท่านไม่ลำคาญกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ฝังสัมผัสรับรู้ถ้าจิตเนียงจิตจะมีอยูเบกขาสักตะวันรู้ว่างเฉยถ้ายังไม่เนี่งยังลำคาญอยู่ก็ต้องพุทโธต่อไปต้องภาวนาต่อไป จนกว่ามันจะนิ่งแล้วไม่รู้สึกอะไรกับไม่มีอารมณ์กับอะไรรับรู้อยู่บางทีก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นลดได้อยู่แต่มันไม่มีอารมณ์มันเฉยๆหรือถ้ามันลึกกว่านั้นมันก็หายไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นลดหรือแต่ตัวรู้อยู่ตามลมพักนะเจ้ค่ะคำถามจากคุณซูซี่กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกสอบถามว่า ช่วงนี้ภาวะการฝึกสมาธิของลูกช่วงนี้มันรู้สึกชอบอยู่คนเดียวแบบเงียบๆไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใครคือรู้สึกว่ามันนิ่งไม่วุ่นวายผิดไหมคะที่ลูกไม่ไปสุงสิงกับใครค่ะไม่ผิดหรอกนั่นก็คือผลจากการที่เราฝึกจิตให้สงบนั่นเองเพ้าะความสงบของจิตนี่ไป็ามสุขอย่างยิ่งเป็นคามสุขมากกว่าการที่เราไปสุงสิงกับคนนั้นคนนี้ ตอนนั้นเพรเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราจะไม่อยากจะได้ความสุขในรูปแบบน mm hmm. เคยไปเทียเเท่ยวก็เลิกเท mm ี่ยวเคยไปกินไม่ปดื่มก็เลิกกินเลิกดื่มเคยไปช้อปปิ้งก็เลิกช้อปไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบนั่งทําสมาธิได้ความสุขมากกว่าเจ้าค่ะจากคุณใบ ย, ยกค่ะลูกเน้นปฏิบัติเจ้าค่ะปฏิบัติจากคําสอนของพระอาจารย์ได้ผลที่ใจเจ้าค่ะ หลายครั้งการอ่านก็ทําให้สับสนซึ่งลูกว่าสู้การปฏิบัติจนสภาวะอุเบกขาไม่ได้เหมือนถึงสภาวะนี้จิตใจจะเข้าใจไปทีละขั้นเองถูกต้องไหมเจ้าขาถูกต้องแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลแล้วก็จะเข้าใจคําสอ น, นต่างๆได้อย่างลึกซึ้งถ้าเรายังไม่ปฏิบัติคําสอนอยังเป็นสื่อที่อาจจะทําให้เราสับสนได้ทําให้นางงได้ เพราะฉะนั้นอย่าอย่าศึกษามากจนเกินไปศึกษาพอรู้วิธีทำใจให้สงบ ก, ก็พอรู้จักวิธีฝึกสติรู้จักวิธีนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันจะเข้าใจอะไรต่างๆที่เราไม่เข้าใจมาก่อนได้เจ้าค่ะคำถามจากทาง Youtube เจ้าค่ะขอเรียนสอบถามเรื่องทานบารมีนอกจากบริจาคสิ่งของ สามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างที่เรียกว่าได้ทําทานบารมีเจ้าค่ะก็วิธีอาทานก็ได้ถ้าเราเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แล้วก็สอนพิเศษให้เด็กๆเดิไม่คิดสตางก็ได้อันนี้ก็เป็นวิทยาทานถ้าเรามีความวิชาความรู้แล้วสอนคนอื่นเราไม่คิดสตางเราเป็นเราเป็นเชฟสอนวิธีทาำหมกข้าวให้คนอื่นเขาไม่ไม่เก็บสตงางเขาอันนี้ก็เป็นวิทยาทาน เจ้าค่ะจากคุณปริชาติกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมกล่าวเรียนสอบถามว่าการชอบความสงบติดสงบเป็นกิเลสไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นอะความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งารปฏิบัติเพื่อให้เราได้เข้าถึงควา ม, วามสงบนี่งั้นการติดสมาธินี้ไม่เป็นโทษอะไรยกเว้นว่ามันยังจะทำให้เราไปไม่ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญา พอเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาปฏิบัติทางปัญญาบ้างสลับกันสมาธิเราก็ยังปฏิบัติอยู่แต่เราแบ่งเวลามาให้กับการเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้ยกระดับของการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้นตอ่อไปแต่สมาธิเองนี้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยเลยมันให้ความสุขกับเราแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวถ้าาอยากจะได้ความสุขแบบถาวรเราก็ต้องมาปฏิบัติทางปัญญาพิจารณาตายรักปล่อยวางความอยาก แล้วเราจะได้ความสุขที่ถาวรยิ่งกว่าเป็นความสุขที่ ย, ยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิเจ้าค่ะคุณใบยกเจ้าค่ะสภาวะของอุเบกขาคือรับรู้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่กระดบรบจิตใจจะวางเฉยอยู่กับลมหรือสภาวะว่างเฉยเฉยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะวางเฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยไม่ยินดียินร้ายกับใคร เจ้าค่ะคุณซูซี่เรียนเข้ามากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะขอถามเพิ่มค่ะลูกชอบนั่งสมาธิแต่ลูกจะไม่ค่อยได้สวดมนต์จะสวดน้อยมากค่ะเพราะใจชอบนั่งสมาธิและชอบการจับภาพพระพร้อมดูลมหายใจได้ไหมเจ้าค่ะการนั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์เลยก็ได้การสวดมนต์นี่สาหรับคนที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ ก็ต้องใช้การสวดมนต์เือนการฝึกสมาธิไปในเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเรานั่งดูลมได้<ม>ดูเพ่งได้เพ่งอะไรก็ได้ดูลมก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้เราไม่ต้องสวดเลยก็ได้นั่งได้เลยทำสมาธิไปได้เลยเจค่ะส่วนทุ่งนาฟาร์สเตย์สอบถามครับ การที่เราได้กวาดพื้นทําความสะอาดวัดหรือช่วยงานวัดโดยใช้แรงกายถือว่าทำบุญหรือทําทานครับการเดียวกันนะก็เป็นการเสียสละประโยชน์สุขของเราให้กับทางวัดไปเป็นเรื่อเป็นจิตอาสาก็ได้เป็นการบริจากกายและเวลาของเราประโยชน์ที่เราได้จากการทํางานนี้ไปให้กับวัดไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบริจากแรงงานไปก็ได้ เช้าค่ะจาก Facebook จ้กราบเรียนถามค่ะขั้นตอนการทําให้จิตมีที่พึ่งต้องทําอย่างไรบ้างคะขั้นตอ น, ตนก็ศึกษาคําสอนของผู้เจ้า ก, ก่อนวิธีสร้างที่พึ่งทางใจสร้างอย่างไรพอรู้แล้วก็นํามาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะปรากฏความสง บ, บขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความความทุกข์ต่างๆหายไป อันนี้หลักคือที่พึ่งทางใจค่ะแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าแพนิคควรภาวนาอย่างไรคะก็ต้องหยุดความซึมเศร้าด้วยการเจริญสติก่อนต้องท่องพุทธโธพุทธโธไปทั้งวั น, นยอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปาให้ใจอยากเพราะความอยากความคิดนี้ทําให้ซึมเศร้าได้แล้วอยากก็ได้แล้แลวก็ไม่ได้ดังใจอยากก็เศร้าใจอยากมากๆไม่ได้มากๆต่อไปก็ซึมเศร้า ันต้องหยุดความอยากหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอใจไม่คิดไม่อยากแล้วอาการซึมเศร้กาก็จะหายไปอาจารย์สดอาการสดชื่นเ บ, บิกบานก็จะกลับคืนมาตามนั้นใ่ะคุณรัตนนันถามเข้ามาว่านมัสการค่ะพระอาจารย์สงสัยว่า การเข้าถึงองค์ชาลึกๆหรือการเข้านิโรสมาบัตจะคลายการหลับลึกยาวๆไปนานเจ็ดวันไหมคะเราไม่รู้เรื่องการหลับนเจ็ดวันนี้เพิ่งเคยได้ยินในวันนี้ม่รู้มีใครทำได้บ้างไหอาจจะเป็นคนสลบอาจจะไปเจออุบัติเหตุทำให้สมองไม่ทำงานชั่วคราวก็เลยเ ป, เป็นเหมือนกับเจ้าชายนิทาไป นอนหลับไปเจ็ดวันเจ็ดคืนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสตินร่องสมาธิคนละเรื่องกันเจ้าค่ะคุณยงยุทเจ้าค่ะนั่งสมาธิา น, น, า น, านานไปแล้วหลับมีวิธีแก้อย่างไรครับลุกขึ้นมาเดินเดินสมาธิแทนอย่านั่งสมาธิถ้านั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ายังถ้ายังหลับอยู่ก็ต้องลดกินอาหารให้น้อยลงอย่ากินอาหารมากปไปๆอย่าให้มันอิ่มให้ร่างกายหิวแล้วมันจะไม่ง่วง ใช่มันง่วงเพราะมันอิ่มเจ้าค่ะจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตาหากไม่ได้ทํางานแต่ปฏิบัติธรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันถือว่าขาดการบริจาคทานจนไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลหรือไม่เข้าค้าขอบพระคุณค่ะ อ, อ๋อการทําทานนี้ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องทําก็ได้เอาเวลามาให้กับการภาวนาแก็ ไ, ได้ เพราะการภาวนากับการทำทานบาทีมันมันจะสวนทางกันถ้าเราไปทําบุญทําทานก็จะไม่มีเวลาไปภาวนาถ้าเราต้องการภาวนาแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็ตัดเรื่องการทําทานไปได้เพราะการภาวนานจะได้บุญมากกว่าการทําทานสซ้าค่ะคนบุญโชคดีถามเข้ามาว่าการฆ่าตัวตายกำหนักมากที่สุดใช่ไหมคะลูกชายของโยม เป็นโรคซึมเศร้าเขาคิดวนเวียนแต่เรื่องค่าตัวตายค่ะโยมสอนเขาเกี่ยวกับธรรมะทุกอย่างที่โยมรู้สอนให้เขาฟังธรรมะของพระอาจารย์เพื่อเขาจะมีสติขึ้นมาบ้างน้อมขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนทําลูกชายโยมด้วยค่ะถ้าเขาฟังอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะกราบขอความเมตตาค่ะไม่ตกสติให้มากๆบาริกรรมพุโทโธบ่อยๆอย่าคิดอยา่ยาอย่า แล้วการส่งเศ้าการคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายก็หายไปความความอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากเลยทาให้เสียใจพอเสียใจก็ไม่อยากจะอยู่ก็อยากจะฆ่าตัวตายเห็นต้องหยุดความอยากหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยเจ้าค่ะจากคุณวันเพลนขออนุญาตถามเจ้าค่ะ ตอนนี el el ้ล um ูกทุกใจกับที่ทำงานเพื่อนร่วมงานจะต้องวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกเจ้าคะก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิเขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปทำไปทาในหน้าที่อะไรของเราเราก็ทาตามหน้าที่ของเราไปเราอย่าไปหวังให้เขาต้องมาพอใจเราชอบเราและอย่าไปหวังให้เขาต้องมาดีกับเราปล่อยให้เขาทาตามสบายใจของเขา เขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะชมเราก็ปล่อยเขาช ม, ช ม, ชมไปเจ้าค่ะจากอินบ็อกเจ้าค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าการทําบาปจิตสุดท้ายก่อนตายถ้าเราเจ็บป่วยจิตสุดท้ายก่อนตายเราออกจากร่างกายด้วยความทุกข์จากการเจ็บเมื่อเราตายไปจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะปกติจะนึกภาพพระและสวดมนต์จนหลับไปทุกคืนคะ่ะอยากให้เมื่อตายไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์เราควรตั้งจิตอย่างไรดีคะ ก็ทำบุญได้มากกว่าทำบาปพอเราตายไปบุญที่มีกำลังมากกว่า mm. ก็จะดึงใจไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่ามันก็จะดึงใจไปอาบานไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายว่าเราตายอย่างไหนอย่างนั้อยู่ที่ว่าบุญกับบาปในใจเรามีอันไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่ามันก็ดึงไปอาบานถ้าบุญมากกว่ามันก็ดึงไปสวรรค์ไปนิพพาน จากคุณมนเทียนเจาน้าคาะนมัสการพระอาจารย์ถ้าจะเริ่มการเจริญทางปัญญาควรเริ่มจากเรื่องหรือทำข้อไหนก่อนครับก็พิจ า, ารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองมันก็เป็นของไม่แน่นอนอมันดีก็ดีมันอาจจะหายไปก็ได้หมดไปก็ได้ญาติยชน์เสริญสุขที่เรามีกันอยู่นี่มันเป็นของไม่แน่นอน อ ม, มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือเ่อมเขอสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพราะวันดีคืนดีเราตกงานเราจะได้รู้ออกมันไม่เที่ย ง, งังานที่เราทํามันก็ไม่เที่ยงเงินเดือนที่เราเคยได้มันก็ไม่เที่ยงเคยได้แล้วอยู่ดีๆมันเดิอนหดไปหายไปก็ได้มันก็จะทําให้เราไม่ประมาทเราจะได้เตรียมตัวรับเหตุการณ์ไว้ก่อนมีเงินทันที่จะไปใช้ไปกินไปสนุกสนานนีาฮะก็ต้องแบ่งเก็บไว้บ้าง เผื่อต่อไปวันไหนที่เราตก ง, งานตกงานเราจะได้ไม่เดือนร้อนให้คิดถึงความไม่เทียงแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเวลาเกิดขึ้นใจเราเราจะไม่ทุกเจ้าค่ะจากคุณหนึ่งลือไทยถามเข้ามาว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า เรานั่งสมาธิถึงขั้นไหนเช่นคณิกาสมาธิอัปนาสมาธิเจ้าคาก็เหมือนกินข้าวเรารู้ไหมเรากินข้าวเราอิข่อขั้นไหนขั้นหนึ่งจานมียังไงขั้นสองจานมียังไงมันรู้มันต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วจิตสงบขั้นไหนมันก็จะรู้เองคือเราอาจจะไม่รู้จักชื่อมันว่ามันชื่ออะไรก็ไม่จําเป็นต้องรู้คอยรู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบสงบมากรสงบน้อยท่านี้ก็พอ เจ้าค่ะจากคุณซูซี่กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกไม่ค่อยได้ตักบาตรแต่ลูกจะปฏิบัติสมาธิทุกวันและทําทานโดยการโอนเงินไปร่วมทําบุญได้ไหมคะได้ทําบุญกับพ่อแม่ก่อนนะ้ดีที่สุดนะอย่ า, าทอดทิงพ่อแม่เดือนเดือ น, อนต้องแบ่งเงินเดือนให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือ น, นแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่คก็เอาไปใส่บาตรเอาไปทําบุญใส่บาตรต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เราก่อน อยากหวพ่อแม่อยู่ยทุกประการลำบากก็อยากขับถอเคถึงพ่อแม่ก่อนเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากที่สุดเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่ดีก็พอสมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ